นึกก็หมายถึงคําว่าบริกรรมเนี่ยมันมันมีอยู่ 2 ส่วนนะครับไอ้ตัวบริกรรมเนี่ยคือตัว 1 คืออารมณ์ถูกก็จะจะลึกซึ้งขึ้น การบริกรรมกสิณโดยเป็นอารัมมณปัจจัยโดยทําเป็นให้เป็น ให้บริกรรมฌานให้ปรากฏเราๆนึกอย่างเงี้ยว่าเวลาที่เราเราฟังธรรมเราก็เอาเอาธรรมะมาเนาะ ให้ละเอียดทุนให้ให้หลักแหลมยิ่งขึ้นให้มีความพร้อม แต่ว่าเมื่อลงมือธรรมนั้นงานของเราความการรับรู้ของเราความใส่ใจของเรา นี่คือบริกรรมโดยทําให้เป็นอารมณ์กับสิ่งหนึ่งแล้วก็บริกรรมสิ่งอื่นโดยชักปันนันทีโดยไม่ต้องคิด เก็บไว้ข้างในจริงมั้ยฮะนี่นี่ไม่ใช่แกล้งพูดนะพูด เลยไปหมายใจหมายมั่นเป็นสาระเป็นที่หมายอันลืมแล้วมันแต่เรายังเราเห็นว่าอย่างพวกพวกนิสิตพวกอะไรทั้งหลายก่อนเนี่ยเรียนๆมาทีลืมอ่ะลืมความตั้ง ไปทนต่อสิ่งเย้ายวนต่างๆได้ไหวก็เลยทําให้ลืมมันอาจจะลืม ก็ก็เรียกว่าเราอาจจะเนี่ยไม่เท่ากันนะเรียกจุดลืมตัวเพราะว่ามันๆกันก็มากไปมันจะฝือนี่เทียบนะไอ้จุดลืมตัวของเราเนี่ยมัน ทีแรกดีตอนหลังเกิดพอไปถึงจุด 1 แล้วก็เกิดเสียนี่ก็ ก็พออนุโลมอธิบายโดยนัยะใกล้ๆกันไปด้วยดายอย่างที่ว่ามาแล้วแล้วท่านก็ไขว่าบทว่าเว้น ก่อนฌานจะเกิดเนี่ยต้องมีอภิสังขารเป็นตัวบริกรรมภาวนาและบทว่าชื่อว่าอภิสังขารได้ ปองมหาตถ์ก็มีในที่หมายถึงจริงๆมัน ฉันทะในฌานศรัทธาในฌานแล้วก็ความตั้งใจได้แล้วก็ลงทําลงมือทํานี้เป็นอย่างดี แต่ที่ในทางธรรมะก็ไม่พูดว่าไม่ไม่ได้คิดแต่ทําทําแล้วได้ๆก็เหมือนว่าโดยสภาวะจิต ชาวโลกนั้นพูดแล้วไม่เข้าใจสภาวะธรรมที่มันอ่าลี้กมันซ่อนกันอยู่ในราย ย่อมปรากฏความหมายว่าเว้นบริการเสียฌานก็ยังเกิดว่าเอวอันนี้ ปฏิเสธความเป็นสัตว์สังขารเพราะอธิการความตั้งใจมาเนื่องความเข้มแข็งจึงเป็นตัวที่เป็นฝ่ายของสัตว์ของอสังขารปฏิเสธสังขารการที่ต้องอาศัยอภิสังขารปฏิเสธความเป็นอสังขารเนื้อสังขาริกก็เพราะว่าอภิสังขาร เป็นวรรคเว้นๆด้วยประการต่างๆเนี่ยเป็นฝักฝ่ายของสัสังขารจึงปฏิเสธความ ฌานที่กําลังเกิดอยู่ด้วยอํานาจของอภิสังขารในคือหมายเพราะว่ามันไม่มีความต่างกันความว่า ในที่นี้หมายความโดยสรุปแม่เนี่ยอันนี้ก็ 5 ดวงคือแม่ทั้ง 5 ดวงนี้ท่านอาจารย์สงเคราะห์ท่าน ผู้กล่าวเนี่ยคือพระสุมังคลาจารย์ที่แต่ง 17 กล่าวว่าเรียก 10 อ่านต่อว่าท่าน สุทธิกะเนี่ยแปลหน่วยนวะแปลนวกะแปลว่าพวกหรือหมวด 9 สุทธิกะในจึงหมายถึงในแห่งหมวดที่มีหน่วยหน่วย 9 เราเอากลางง่ายๆว่าในจํานวน 9 อันนี้จํานวน 9 ตัวนี้ หมายถึงไอ้ฌานรูปฌานเนี่ยเราก็ได้คุ้นมาว่าเวลาท่านพูดเนี่ยพูดเป็น 2 ไหนจตุกะนัยกับปัญจกะนัยจตุกะนัยก็คือในที่ เอาโดยเจตนามาพูดรวมกันก็ใน 1 5 ใน 1 4 ก็รวมกันก็เป็น 9 รวมโดยทฤษฎีนะไม่ใช่รวมโดยสภาวะแต่โดยว่าที่ท่านแบ่งอย่างเนี้ย 2 ว่าจะเป็นนายไหนก็พูดอันเดียวกันอ่ะตรงนี้ก็เป็นอันว่าเรา ผ่านเลยไปเลยไปว่าด้วย 3 มากแห่งจตุกะไณและปัญจกะไณคือ 4 และ 5 อ่าใน 4 นวกะไณอ่า 4 ตรงเนี้ยหมายถึงปฏิปทา 4 เอาฌาน 2 ในที่ว่า 9 นวกะจํานวน 9 นวกะ 9 นับ 9 ว่าฌานรูปฌาน 9 9 คือ 4 ปัญจกะไนเป็น 9 เอา 4 ก็ได้ความว่าได้ความว่าหมวด 4 แห่งปฏิปทาด้วยอำนาจแห่งทุกข์ขาปฏิปทาทันทาปัญญาปฏิบัติลําบากและรู้ยิ่งได้ปฏิบัติลําบากรู้ยิ่ง ตรงนี้ไม่ได้มุ่งเอาทุกขเวทนานะพอทุกข์ในรูปภาษาบาลีเนี่ยทุกขะเนี่ยแปล หรือการปฏิบัติรวมการฝึกแลปฏิบัติลําบากสุขะแปลว่าง่ายสุขะปฏิปทานี่แปลปฏิบัติง่ายอภิญญาแปลว่ารู้ยิ่งแต่ตามแปล ไม่ใช่วิญญาณ 6 หรือวิญญาณ 5 ที่เป็นๆทันทาแปลว่าช้าทันทาเนี่ยทันทาเร็วกิปาบแปลว่าเร็วช้า ปฏิบัติลำบากอันนี้ถือเป็นอย่างเลวที่สุดนะนั้นหมายถึงข่มนิพพาน 5 ได้โดยความยากลําบากเช่นกามฉันทะนิพพานก็ เป็นโลเบกาเวทนาหรือเป็นอ่าสุขเวทนา 2 อย่างแล้วแต่นะฮะแต่ๆแล้วก็ถือว่าเป็นสุขที่เจือด้วย อละดายาก็เป็นทุกข์ขาเป็นทุกข์ขาปฏิปทาทีนี้คําว่ายากหรือง่ายเนี่ยเราเอาเวลามาเป็นเครื่องกําหนดหรือ คือละไม่ใช่ได้ง่ายใครบางคนอาจจะใช้เวลานานแต่ว่าช้าเนี่ยเพราะว่า กัดรู้ชาเอาอะไรมาเป็นเครื่องกําหนดว่าชานะไอ้ตรงนี้ท่านเอาไอ้ อันการลบิขยานที่เป็นตัวทําลายกิเลสส่วนสุดท้ายแล้วก็ทําให้ช้าบุคคลนั้นก็บรรลุเรียกว่าเป็นผู้ มันทำหน้าที่คล้ายๆเทียบใกล้ๆกับมรรคผลนี่เหมือนกันคนนั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่รู้ช้าแต่ว่าถ้าคนไหนพูดเรียกว่าต่อนั้นไวก็เรียกว่า แล้วก็อนุโลม 3 ขณะถ้าเป็นคนบรรลุเร็วเนี่ยมีปลัดบริกรรมไปขณะหนึ่ง นี่ก็หมายก็ว่าบรรลุเร็วหรือรู้ช้าอย่างนี้ก็หมายความว่าไอ้เรื่องรู้เร็วกับ นะเค้าไอ้ไอ้ปฏิบัติลําบากเฮาตั้งแต่ต้นเนี่ยเค้าเรียกว่าต่อตรงนั้นน่ะมันเป็นอีก ออกเป็นฌาน 4 ตรงนี้เราคุ้นเคยเป็นอย่าง 5 ก็ความว่า 5 ตามปัญจกานในก็มี 5 ว่ามี 3 ฌานเจริญภาวนา ว่าปฐวีปฐวีคือดินๆอันนี้หรืออาโปอาโปเพ่งว่าน้ําๆอาโปกสิณเป็นต้น เป็นตัวรองๆนะเป็นตัวที่เรียกว่าตามๆเกิดขึ้น เชวะทุกข์ขาปฏิปทาก็เพราะอัตถวาเป็นการปฏิบัติที่แล้วเนี่ยท่าน และระหว่างเนี้ยจากบริกรรมสมาธิไปถึงอุปจาระสมาธินั้นกิเลสมันจะกรนิวรณ์จะจาก จิตของบุคคลนั้นได้แม้ออกจากฌานสืบต่อไปปัญญา ความรู้เรวรู้ชาก็จัดตั้งแต่สังขารหรือเปกปะญาณไปจด พูดไงว่าเป็นเรื่องบารมีของของบุคคลนั้นบารมีในทางบวกของบุคคลนั้นที่จะมาทําให้รู้เร็วรู้ช่างก็ตรงนั้นนี่ก็คือว่าคนที่ได้ฌานถึงอัปปนาอุปจาระ กิเลสตัวนั้นตัวนี้นะฮะมารบกวนแต่เราก็นี้เพราะอะไรเพราะว่าไอ้บารมีทางฝ่ายบวกเนี่ยมันไม่ได้วันๆก็มีไหลหน อนันตกิเลสไม่ได้มากวนได้กิเลสไม่ได้มากวนเนี่ยจิตเราเมื่อไม่ได้รับการอบรมทําให้ประณีตมัน ก็พึงสารโดยในตรงกันข้ามกับคําว่า โดยปฏิปทา 4 เราว่าแล้วนะทีนี้ 4 โดยโดยปริตตว่าเพราะประกอบคือฌานเป็นปริตตมีอารมณ์เป็นปริตตะ 1 ฌานเป็นปริตตะมีอารมณ์เป็นอปมานะ 1 ฌานเป็นอปมานะ 1 และฌานเป็นอปมานะ นี่ 4 อีกไหนน่ะนิยยะ 1 อันนี้เค้าพูดถึงผมผมก็จําเป็น 4 ตรงนี้อันหนึ่งแล้วก็ปฏิปทาเนี่ยมันกล่าว ว่าตั้งใจแล้วก็บริกรรมมาอย่างไรตรงนี้เป็นเรื่องสภาพของตัวฌานนั้นก็ดูที่ว่าที่ท่านกล่าวว่าตัวฌานเนี่ยปริตตาแปลว่าเล็กอัปปมานะเอาความ มีอยู่ 2 ด้านด้านมีอารมเล็กในกับด้านหรือเท่าขันด้านในหมายถึงในตัวฌาน ฌานบัญชาญนั้นขยายอารมณ์ใหญ่ไม่จํากัดกว้างใหญ่ไพศาลมากเช่นเท่าโลกกว้างกว่าโลก ฌานเล็กเค้าเรียกว่าเป็นปริตตะฌานบาง ฌานใดที่ยังไม่เป็นวสีฌานนั้นเป็นปริตตเรียกว่าเป็นฌานเล็กก็จะเป็นฌานที่ 1 ฌานที่ 2 ฌานที่ 3 ก็แล้วแต่คือว่าถ้าใครที่ทําฌานยังเป็นปริตตไม่เป็นวสีเนี่ยไม่สามารถที่ก็ยังไม่เป็นไม่เป็นอัปมานะยังไม่เป็นของใหญ่ ต้องทําให้เป็นๆมาเป็นครั้งแรกบรรลุฌานเป็นครั้งแรกก็ๆอย่างกล่าวพอชํานาญแล้วเค้า <c oughs> ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ว่าจะไปต่อชั้นที่สูงขึ้นไปอารมณ์พออารมณ์เล็กหรือใหญ่เหมือน เทียบเคียงโดยความเข้าใจข้อหนึ่งก็ได้เหมือนกันหมดอาจจะพูดถึงฌานที่มี ต่อความจําเป็นไม่ต้องขยายก็ได้จะต้องขยายสําหรับเป็นบาดแกน 25 บรรทัดสุดท้ายนะบรรทัดสุดท้ายท้ายบรรทัดเลย 25 25 นั้นคืออะไร 4 ใน 4 4 เพราะมั้ยถึง 4 แล้วก็โดย 4 นะ 9 เป็นเท่าไหร่ 4 9 9 ผมได้ 25 อันนี้ก็ไม่จําเป็นลําตัวเลขเนี่ยเป็นตัวเลข เอริญดุ้งนั้นเกินเลยไปกว่าขอบเขตของความจําเป็นในเบื้องต้นมากไปสักหน่อยกาลหน้าก็จะเป็นเรื่องรูปาวจรวิบัติแล้วก็อาจจะรวมเรื่องรูปาวจรกิริยาลง กะตุ๊ดแต่พระอุทิชาได้ตอบเล่นสำนวนกับพิฏกปรามไว้แล้วมันก็มีความหมายที่จําเป็น เดี๋ยวมา 2 ครับนะ